ทั้งพระทังคารวะาเกิดขึ้นมาได้ชื่อว่าเป็นน่ของโลกคืแล้วเอาโลกมาเกิดนี่ธาตุสี น, น้ำไฟลกมาผสมกับเป็นก้อนเกิดขึ้นมาเรียกว่าเกิดมาจากธาตุสีน้ำไฟโลก เป็นอยู่ด้วยดินน้ำไปลมพระเดชาธรรมเรียกว่าสรจยะสรจยะยนต์ยนต์มีสรจยะยันต์ ต, ตังสัตุจสักตังนวทวารังคขมาเนยังท่านพ่อว่างท่านเลยเรียกว่าคน ระยะยนมีจักรสี่ถานรเก้าของท่านก็นะ อ, อดกลั้นหรือกันว่างั้นคือถามกันไม่ได้ถามอย่างที่พวกเราถามกันพวกเราถามกันว่าสบายดีหรือสบายยังอย่างนี้ต า, ามเรื่องแต่ท่านไม่ได้พูดว่างั้น อาชาจำนวนของพระเจรท่านว่าท่านเระยนมีจักรสี่มีทวาน<ป>าก้าวยังพบจุลเราเอาจากักคือเราเอาธาตุสี่เรื่อเรียบบทสี่เาาากเอาเอามาใช้จักเอา ธาตุสี่มาช้เรายังเป็นจะต้องใช่มีของโลกโลกที่เราเามาใช้นั้นถ้าหากว่าเราไม่ใช่นั่นก็เต่าเสียจากประโยชน์ถ้าเราไม่ใช่มันก็ชำรุดสุดโไปพี่นั่นโลกที่เร า, เามาใช้นั้นใช้เป็นประโยชน์ ในทางทางามคมดีโดยเฉพาะเรามาใช้พิจารณาดาูในรยาบทได้ก็ตามถ้าพิจารณาเห็นเป็นาตสี่โดยเฉพาะไม่เห็นเป็นคน คนที่ไหนไม่มีคนธาตุสี่ตัวกรงเยอคําที่ว่าคนนี่คือสมมติบัมือนหนายดำนายแดงนายอะไรต่างเขาเรียกสมมติบัมือนหที่จริงนายดำมันคนคขาวก็เรียกเป็นนายดำก็มคนดำก็เรียกว่า น, นายานแดงนายขาวก็นี เรียกชื่อสมมุติอมันยัดให้จำกันได้คนนั้นเป็นนันคนนี้เป็นนี้ก็นนจำกันได้ไม่ใช่คนมันยัดสมมตุตดเฉยแท้ที่จริงคือธาตุาสธาตุสก็เป็นมันยัดอีกเหมือนกันว่าความเป็นจริงเราเรียกว่า ก้อนนั่นเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปก้อนนั่นเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปไในใ่ตัวตนบุคคลเราเขาอะไรวะธาตุสี่นะ่ะมันหมุนอยู่ในโลกวันนี้คือมันคลี่ไปในโลกวันนี้ได้เดินไปเดินมาคล้ายๆแตมันคิ้งมันคิีไปนั่นให้กระทบ มันมีตั ว, วบังคับคือใจถ้ามันเก่งพยายามกระทบกระทั่งกันกั น, กนใช้เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นประโยชน์ในทางที่ดีที่ชอบรักก็คือศาสนาในทางที่ดีทั้งค พกทั้งสินหาดไม่ฆ่าสัตว์คือไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่รับทรัพย์สิ่งของเขามีอิจฉาทุกคนสิ่งของที่ตนได้มาแล้วกัหวงเห็นทุกคน ไปชิงขโมยรักของเขาการพื่อผิ ด, ผดนิชายางดรนยาสามีของใครรักของตนมีอสระเก็มที่เนี่ยไปก้าวไกลซึ่งกันและกันการก้ า, ก า, กาวขึ้น พ, พูดเท็พูดคำไม่จริงในสารประโยชน์คือคนใดเขาต้องการเขาถามเราเขาต้องการประโยชน์เทนั้นเราไปโกหกเขาในสิ่งที่เขาต้องการมันก็ขาดประโยชน์ของเขา ดื่มทุราเมใดไปจนีึงคนเราอยู่ดีๆไม่เหมือนเมาประมาทแกล้งทำให้เกิดประมาทดยการดื่มนาเมาดื่มเมานี่เป็นเหตุแห่ประมาทถ้าเราเป็นเหตุหประมาทดื่มน้อยออกจะามันติด นานแล้วเขา้าไปเลยดื่มมากเขาเลยเป็นเหตุเนี้ยขึมาคนจะฆ่ากันคนจะทะเลาะอีว่ากันคนจะทำชั่วทุกประการต้องดื่มน้ำเมาอย่างน้อยก็คงเนหมือ น, นดื่มตึงอย่างมากก็เป็นรู้สึกตัว เ, เลยถ้าทำดีแล้วไม่มีดื่มคือหัดสติ มไม่มีสติแล้นไม่มีสติแล้วมันก็ประมาประม า, มาแล้วทำควณชั่วในทุกประการนี่แต่ทางเราพุทธศสรราสนาทั้งสอง น, นี้เรียกว่าทำประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นในทางทมสมาธิภาวนาเนน<า>นมื่อสินของเราบริสุทธิ์จิตใจก็พูดพอ้องบริบางน มันก็อาหารเกิดขึ้นในใจนิดเดียวมันไปได้จิตใจมันก็อาหารเด็ดเดียวเชื่อมันในคุณพรตัตนาตัยเชื่อมันในคุณงามความดีของตรงคุณงามความดีนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของดีทางความชั่ว เชื่อมันในความดีมันก็อิอ่มใช้กระด่าลืมมันก็เกิดปิติมันเป็นสมาธิแล้วค่ะนี่มันเกิดปิติก็เรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นมาติติสมาธิวสมาธิโอเคค่ะมันก็ลงทั้งหมดอย่ อุบาศกก็ดีอุบาสิกาก็ดีภิกษุสามนี้ก็ดีเมื่อมีิีนอย่างนี้สมบูรณ์อย่างนี้จิตก็เกิดสมาธิโดยเฉพาะพาะทิ่มีมพระมากถ้าหากศรัทธาแน่วแน่จริงจริงจัง ไม่หวันไหวต้องเฮ็ดข้ามตัง้งตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดลงถึงสมาธิพอวางไอ้ลงถึงสมาธิภา ว, วนายน่อมีปัญญาพิจารณาดูแจ้งจริงจริงให้ชินตัง้งนั่นเรียกว่าปัญญา ปัญญาในทีน่นี้มันเกิดจากสมาธิถ้ามีสมาธิไม่เกิดปัญญาปัญญาที่เกิดจากสมาธิมันรู้เองเห็นเองของที่รู้แล้วก็วตามสิ่งที่รู้แล้วก็วตามแต่มากลับรู้ซ้ำอีก ครานี้ความรู้นะั่นแปลกปดาสว่างจ้าขึ้นมาภายในใจไม่ใช่เสียงสว่างอย่างประทิดาจันสว่างจ้าขึ้นมาในใจจดจำไม่ลืมเลยสว่างนั้นความสว่างนั้นกว้างขวาง เมื่อพิจารณาแจ่แจ้งขึ้นมาวสว่างช้าขึ้นมาแล้วกับพิจารณาในนี่้ในมุมไหงมันไยได้ตลอดหมดนั่นเรียกว่าปัญญาเกิดจากสมาธิปัญญาที่มันเกิดจากสมาธิมันเป็นสัญญาคิดกว้าง ไม่มีขอบเขตไม่มีจุดจบลงไปได้เรียกว่าปัญญาเกิดจากสัญญาพูดวันข้ามคืนลงไม่มีจบพูดกัน ง, ง่ายๆเลยว่าปัญญาเกิดจากสมาธิ หมดเรือพูดจบหมดเรือไม่ต้องพูดมาจะทาําว่าปัญญาเกิดจากปัญญานั้นพูดมากจะทําไม่ได้ทําไม่ได้หรือทำได้น้อปัญญานี้นั่นที่เดียกว่าปัญญาเกิดสมาธิที่จะสำเร็จเมื่อผลนั่นก็เกิดจากอันนี้ ที่บริสุทธิ์จะเกิดจากอันนี้ถึงแม้จะไม่บริสุทธิ์ถ้าเกิดปัญญาอย่างนี้แล้วละของชั่วดายคนสัพพะทุกการถ้าเกิดปัญญาอย่างนี้แล้วจากสมาธิต้องละได้นั่นเดียกับปัญญาโดยแท้เทนั้นพระว่า เาเป็นนี้สินของโลกก็ะสร้งใช้โลกเป็นกายนี่เกิดขึ้นมาต้องทำแต่ทำเนทางที่เสี่งที่เป็นที่มันชอบประกอบหรือความสุจริตทำไปอย่างเนี้ยสู้ไปอย่างนี้ไม่ทอ้อถอยเกิดขึ้นมา ในโลกอันนี้ก็อยู่ในโลกนี้ก็ใช้โลกอันนี้แหละใช่อะไรตาของมือมูกนี้ก็ต้องใช้ใช้ตาดูฟังยังทุกข์ ก, กินได้ถึงต้องใช่ต น, นี้ต้องสติควบคุมจิตเมื่อมันคิดนึกส่งสายไปทางไหนตายเป็นโลกหู้องเสียงเป็นตน้น ว่าอ๋ออันนี้มันใช้โลกมันใช้นิของโลกให้รู้เรื่องว่ามันใช้นิของโลกเราเกิดขึ้นมาต้องใช้ไปต้องสู้ต้องทดต้องฝ่าฝืนอุปสรรคในโลกอันนี้มันมากอบายอุปสรรคยุ่ง ม, มันมากเรื่องยุ่ง ม, มันมากมาย ต้องฝ่าฟืนมันก้าหาชนะแล้วนั้นมันต้องลงถึงสมาธิภาวนา้องเอกรตาตจิตเอกรตาตลมถ้าไม่ชนะยอมแพ้มันก็จะต้องวุ่นวายสงสัยตลอดเวลาอันนั้น ไม่ได้ชื่อว่าใช้หนีหมดนันเป็นหนีหรืออยู่ถ้าใช่หมดจะต้องลงสมาธิภาวนาการอยู่ในโลกมันต้องพิจารณาอย่างนี้รูปายใดๆที่จะเกิดขึ้นมาให้ชนะได้จงคิดค้นพิจารณาหาเหตุ แต่ว่าการคิดค้นนั้นถ้าไมมีสมาธิเอาชนะไม่ได้ต้องให้มีสมาธิจึงเอาชนะได้คนในโลกคิดคนเอาชนะโลกยิ่งแพ้ยิ่งคิดคนอย่่งยิ่งแพ้ไม่มีชนะเลยพระพุทธเจ้าท่านคิดคนเป็น ท่นสติควบคุมตลอดเวลาจิตใจของท่านคิดคนแล้วท่านลงสมาธิเพราะน่า ล, าลงเอกาตาลงจึงว่าท่านชนะโลกถึงพระองค์ก็ยังใช้หนีโลกอยู่ชั้นเดชองผลนิพพานนะก็ยังใช้่โลกกายมี ต้องใช้กายใช้เทศหนาะสังสอนพุทธบุตรสัจ่าจาโฮมันนำมาเทศมาปรับมาสั่งสอนอยู่นั้นเอากายไปาวาจาไปสอนไอเอากายไปแนะนํนาไอเอากายอาไอไผ่ทุกแห่ทุกหนาวาจาสอนทุกอย่างทุกประการ ใจคิดนึกไปในเหตุที่ดีที่ชั่วอยาบละเอียดปัญญาเอามากองจัดให้ามากลุดกองพิจารณาเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่พิจารณาแล้วต้องใช่อยู่อย่างนี้จนกลัวจะนิพพานเหตุนั้นคนทั้งหลายเกิดขึ้นมา ถ้าหามาดูเรื่องของโลกใช้นี้โรกมาหมดจึงต้องเย็นว่ายตาเคืดให้ใช่นิรันดร์ไปจงใช้ปัญญาปิญนาโดยในอธิบายมาอย่างหนึ่นิติมันเกิดจากสมาธิทปิิไม่สมานี้ก AH ็พราะว่าปิติไม่สมาธิก็เลยเกิดติดตัวทีนี้มันจะทําให้เกิดติ ไปเกิดเป็นความสุขิ้นเพิ่วินัิตินั้นแล้วก็หลงเหลงเพลินไปเป็นไปได้หรือเปล่าครับเป็นปิติมันก็คให้คนเพลินคนหลงหัวเมาใช่ไหมครับเพราะฉะนัน้นถ้าหากคนสมาธิเกิดจากปิติปิติเกิดากสมาธิปิติเกิดจากสมาธิหาเหตุว่าสมาธิได้เลยปิติมันก็เกิดปิตินั้นเรียกว่าชานไ้แถวฌานนั่นยังาาไงรู้เท่ารู้เรื่อง ปิติเป็นอุปสรเกิดปัญญารู้เท่ารู้เรื่องเห็นโทษเห็นโทษิติราันจไม่ควริอัญามันและมันเป็นอะไรก็ตามมันะ่มันเป็นไปตามเรื่องหม้ามไม่ได้แร้วมันต้องเป็นไปตาันเพลินก็คืกนนั่นมให้มันเืลนนะมีสติอยู่ทุกเมื่อนะอย่ามัน แต่มันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องปีตีขั้นหาว่ารู้เท่ารู้เรื่องมันแต่แล้วนับเมื่อแต่หายตีตีเนี่ยมันต้องขึ้นทางปีตีห้ก่อนมันยังไปเป็ี่นมันยังค่อยเป็ี่นสั น, ปนไปทุกอย่าง น, นะตีตีไปทางฌานกับฟ้ายทางการทำดาวช่างสมาธิกรนี้ปีตีทำโคตรชงแค่กรณว่าแค่โคตรชงมีปีตี พิติในน้าผู้ชมมันห้งมีสติให้หลงเพลินไม่ท่านเียง ว, ว่าพิติมีไอเรื่องเรื่องสมาทิมีพิติใช้นั้นมีพิิแล้วจะหาว่าสมาธิแล้วเกิดความสลดไหมจ๊ะจะดีกับพิติอหอจ๊สะสลดนั่นมันเกิดปัญญาไม่ใช่พิติมันดีแลค่ะทีนี้กาปนถามว่าดีกับพิติมันก็ดีดีมันจะลดมันก็ สลดตัวสังเวกเกดร์มามันเป็นมันเป็นแนวมารกนั้นแล้วถ้าตลดแล้วน้ำตาไหลนี่ไม่ดีใชมันปีเตี้นะทำท่าไหลไมดจ้ค่ะหมายความว่าพอสลดทีไรแล้วน้ำตาไหลนี่ก็แสดงว่าเราังไม่มีสติพอที่จะพิารามีอะไรครับนั่นแหละ้ำาไหลนันหน้ำตาจริงไม่ควรต้องให้เลห้าไม่ได้หรอก ห้าไม่ได้เป็นก็เป็นแต่ารู้เท่ารู้เรื่องคือ ก, การพยาถามในการหมุนนี้กตัวเองชอบน้ำตาไหลเลยไม่ชอบใจตัวเองชอบเจอหน้าอะไรนี่นตาชอบจะไหล <c oughs> ก็เลยกลัวจะเป็นคนอ่อนใจอ่อนอยู่นั่นมันธรรมดามันต้องอ่อนอนะธรรมดาน่ะเพิ่งหัดภาวนาต้องอ่อนแน่นอนแต่ก่อนไม่แต่ก่อนไม่เคยเมื่อตอนใหม่ๆเลยจะลดแล้วก็ไม่ไหล ตอนนี้ทำไมมันถึงกลับมาตรอจายไุคพราหกท่านบอกว่าอะไรนั่นกาย ง, งบกายกายอ่อนจิตอ่อนกายอ่อนจิตอ่อนแลมันถึงที่มันถึงข้อหนักสมาธิแล้ต้องกายอ่อนจิตอ่อนใจ กายอ่อนคิดอ่อนกายสมควรแกการงานคิดต้อสมควรแกการงาน <indo> อ, อะไรเน enfin. ี่ยยกนราหกอันดีอยู่ใสมควรแกการงานอันหนึ่งแล้วก็สมควรแกการงานการงานนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื <hari> ่องการงานข้นอกมันสมควรแกการงานสมควรแก่ดีเอยสมควรในเนื้อที่นั่นนี่ยควรจิตนุดตา กายและหูตาจิตอ่อนกายอ่อนจินเบากายเบาจิตสมควรแก่การ ง, งานกายสมควรแก่การ ง, งานท่านบอกไว้นั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นปล่อยเห้มเป็นนั่นแ่ะแต่ว่าให้รู้เท่ารู้เรื่องอนั่นมันจะไให้เป็นไม่ได้หรอกที่ท่านว่าไว้นั้นเราห้ามจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นถูกยังไม่ผิด มันคิดก็ดีถูกกรณีให้มันเป็นใช่ก่อนมันยังไม่รู้เรื่องขั้นให้เป็นไม่รู้เรื่องนนอพอทิศรานาไปก็มองเป็นวาใจนี่ยมันว่างใจไม่มีใจเราเสร็จ แ, แ, แล้วก็เอ๊ะทาไมตัวเราถึงเดินอยู่ใจเราไม่มีก็ใจเป็นผู้บงการให้กายเคลื่อนไหว mm hmm. ให้กายทําอะไรก่ออะไรต่างๆนี้เองนะถ้าใจไม่มีทำไมกายถึงเดินอันนี้ คิดขึ้นได้ระหว่างเดินกำลัลมก็เลยึเกิดสนใจขึ้นมามีนะแต่มันไม่เห็นใจไม่รู้ไม่รู้จักไม่ได้ายความนะรู้สึกเลยว่าใจเราไม่มีใจเราว่างเนี่ยเรามีแต่ตัวตัวที่จะสสมมุติแล้วก็เลยเกิดคำถามแล้วทำไมตัวถึงเดินอยู่นี่ล่ะในเมื่อใจเราก็ไม่มี ในขณะนั้นในตัวการไม่มีใจทำไมเป็นอย่างั้นว่างคือมันว่างจากอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดไม่ถือเกี่ยวของกับพันธะมันว่างมันก็เลยเป็นของไม่มีอันของว่างของไม่มีนะนะั่นแหละอันคว่าไม่มีนะั่นคือผู้มีนะนะั่นแหละว่าไม่มีนะนะั่นแหะคือผู้ไม่มีนะั่นผู้ว่าไม่มีนะมันมนะีอยู่นั่นแหละ นันน่ะพระอาจารย์หมายถึงผู้รู้ใช่ไมคราณะนั่งทเคยข้งนึงนั่งอยู่ที่ต้นไม้เฉยๆโดยไม่ได้ทำสมาธิคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจภาวากลังนั่งอยู่ได้มองเห็นกายออกไปอันแล้วก็จิตทั้งตัวกายออกไปอันแล้วก็มองเห็นอยู่ว่าระหว่างสองอันนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยกันมัญแยกออกเป็นสาม ไม้ตั้งใจตรงวางตรงใจเป็นวางวางตรว่างตรงกลางนะมันเติดสมรธถที่ตรงนั้นไม่ได้ตั้งใจนะเป็นเป็นดีที่สุดทํำทำหทําที่เป็นดี ง, ง่ายที่สุดันที่ไม่ได้ตั้นนตงใจยิ่งเวจะใครน่าสงสัยที่ว่าน่าสงสัยก็คือเคยประสบทั้งสองอย่างว่าไม่ได้ตั้งใจและจิตเกิดรวมเป็นสมาธิ ไม่ได้ตั้งใจแล้วเลยเลิใหญ่เลยมันมีทั้งสองทาเคยเข้ากับตัวเองเข้าหลายอยาเห็นมากทุกสิ่งทุกอย่างเอามารวมรวมมาเข้าแล้วเกิดเป็นปัญญาสิ่งทั้งหลายเนี่รู้หมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเอามารวมรวมมาเข้าเลือก มันสิ่งที่มันดีเรื่องของสิ่งที่ดีนั่นแหละกลายเป็นปัญญาทั้งนั้นยังไม่ถึงแบบนั้นคือเหตุน้าันดร์หัดตายกันหัดตายมันจำนี่ชำนาญอย่าง่ชติปายมาแล้วหัด กายคือความสระปล่อยวางจนไม่มีอะไรเหลือยังเหลือแต่จิตนัางกายมันไม่ใช่ของเรายังเหลือแต่จิตจิตก็ไม่ใช่ของเราจิตก็เป็นขอ ง, ของจักขอบวันไหวใจมาได้สึดสละหมดสระหมดแล้วยังเหลืออะไรอันพู้เหลือพูดที่ยวสระที่ยวหมดแล้วะมันยังมีอยู่ อันพูแล้วมันยังมีอยู่มันยังแม่ท่านหมดในคำว่าหมดก็หมดในทีนี้คำว่าตายในทีนี้ตายแต่หมดทุกสิ่งทุกส่วนทิ่ของภายนอกปันไหวใบไม้นี่เรียกว่าตายและอันที่ของภายในติดจิตใจที่อ้วน วุ่นวี่วุ่นวเดือดร้อน ก, กับการกระจายนะั้นอันนั้นก็หมดไปเหมือนกันคู้นั้นแหละมันยังเหลือมันยังทำไฟเกิดอีกทา้าผู้นั้นหมดแล้วก็ไม่เกิดอีกผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของมนุษเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาสูญเปล่าหมดหายหมด เมื่อของอันนี้เป็นหมดกันแล้วไม่มีเครื่องยึดไม่มีเครื่องซือผู้นั้นก็ไม่รากคนได้แต่เป็นผู้ไปรู้ไปเห็นนะเทศมากมายได้ร้นอะไงกันบ้างแล้วะเทศมากยืดยาวเลยหาที่กับไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย เทศนั้นจะ เ, เข้าใจว่าทเทศใหนคนอื่นฟัง